ปลอดภัยส่งตรงถึงบ้านก่อนเริ่มรายการในช่วงที่หนึ่งมาฟังเพลงลุกทุ่งพระพรๆกันก่อนค่ะ ของนักร้องลูกทุ่งกันอีกแล้วนะคะวันนี้รายการของเราจะมาแฉเกี่ยวกับประวัติของนักร้องที่มีผลงานการติดตามของคนในยู u ูบไปเยอะมากคือเรียกว่าร้องแล้วดังกว่าเพลงต้นฉบับอะ <c oughs> นั่นก็คือเพลงไซว่าสี่บททีมกันนะคะที่น้องไข่มุกรุ่งรัตเป็นคนร้องในรายการ the voice จากเพลงนั้นทำให้เป็นสิ่งแจ้งเกิดตัวเธอทำให้เธอดังมากเพราะว่าทำให้เธอเข้ารอบสี่คนสุดท้ายของของโค้ชโจ伊บอยนะคะแล้วเธอก็มีผลงานการแสดงทางทั้งละครและก็ภาพยนตร์แล้วก็ผลงานปัจจุบันของเธอก็คือว่าเธอมีซิงเกิลของตัวเองค่ะคือสาวขี้อาย สาวขี้หายกับอายผู้หล่อนะคะเป็นเพลงแรกในชีวิตและหลายคนอยากจะทราบและเธอชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วมีชีวิตอย่างไรใครมดุดรุ่งรัตชื่อจริงว่ารุ่งรัตเหมงพาณิชย์ตอนทีเ่เกิดนะคะก็ช่วงเดือนเมษายนปี2539 กำลังศึกษาอยู่คณะศนะิลปรกรรมศาสตร์สาขาดนตรีเอกขับร้องวิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชียมหาวิทยาลัยสยามนะคะแล้วก็นอกจากสิ่งที่เธอมีเสียงร้องอันไพยรอะแล้วเนี่ยไข่มุกรุ่งรัตเนี่ยเขายังเป็นอาสากู้ภัยด้วยนะคือเป็นคนที่จิตใจอาสามากๆนะคะ เพราะว่าเธอเนี่ยคืออย่างเช่นเพลงใสวสีบททิมกันเนี่ยทำไมถึงร้องได้ดีเพราะว่าเธอนึกถึงแฟนหนุ่มที่จากไปเพราะอุบัติเหตุทำให้เกิดการถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ดีอย่างที่เราเห็นแล้วก็จนกระทั่งถามว่าไม่ได้ไปต่อนะไม่ได้เป็นเดอะวอยซ์ก็จริงแต่ว่าผลงานดีๆเธาก็ออกมาอย่างต่อเนื่อง แล้วถามว่าตัวตนจริงๆเ่เป็นคนที่ชอบจิตอาสานะคะโดยจิตอาสาที่เธอเป็นเนี่ยก็คือแบบว่าโอ้โหฮาร์ดคอร์มากคือมา่เมื่อไหร่ต้องไปนะเพราะเธอมีหัวใจเพื่อมวลชนโดยช่วงแรกเนี่ยก็คือทาเพราะว่ารู้จักกับพี่ที่เป็นนักร้องด้วยการเขามาทาและหลังจากนั้นก็เริ่มมาฝึกฝึกทำเรื่อยๆนะคะ เล่าเหตุผลเพราะว่าตัวเองเนี่ยเสือเสียเพื่อนชายคนสนิทจากอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์แบบต่อหน้าต่อตาแล้วช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยหลังจากนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เธอเนี่ยอยากทำงานอาสากู้ชีพแล้วก็งานเนี้ยเป็นงานเธอบอกเลยเป็นงานที่้าถ่ายต้องเจอกับคนเจ็บคนตายในรูปแบบหลากหลายอย่างเช่นเธอเล่าให้ฟังนะบอกว่า เจอตั้งแต่คู่กรณีหลังฉีกถูกฟันหัวแบะตรงกลางศีรษะอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ชนกันซึ่งเธอก็ช่วยทำแผลให้แต่มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ไข่มุกรุ่งรัดเธอจำไม่มีวันลืมก็คือว่าเ อ, อ่อรถชนกับที่กั้นข้างถนนแล้วคนขับอะ่ะเขาขาขาดกระเด็นไปยี่สิบเมตรหาขากันจนถึงเกือบเช้ามาเจออีกทีคือ เจอขาตอนสิบโมงเชา้าซึ่งมันต่อไม่ทันแล้วอะ่ะใครมุกบอกเห็นแบบนี้ก็คือโอ้โหโปลงอะค่ะเธอก็เตือนกับทุกคนว่าอย่าประมาทกับชีวิตถ้ายังมีชีวิตอยู่จงทําทุกวันให้มันดีที่สุดแล้วก็การทางานตรงนี้นะ่ะสอนให้เราใช้ชีวิตให้มันไม่ประมาทเพราะเราไม่มีโอกาสรู้เลยว่าวันนี้เราออกจากบ้านแล้วจะได้กลับบ้านไหม จริงนะคะคือถึงแม้ว่าคุณจะป้องกันตัวเองอะ่ะแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะปลอดภัยเสมอไปเพราะคนอื่นบนรถบนท้องถนนเขาไม่ได้ระวังเหมือนกันกับเรานั่นก็คือสิ่งที่ไขมุกรุ่งรัตได้ฝากไว้กับท่านทุกคนนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆของไขมุกรุ่งรัตนะคะวันนี้จะเปิดเพลงสายวาสิบอทีมกันแล้วก็รอเราเข่าลืมของไขมุกรุ่งรัตค่ะ โดนแล้วบ่มีวีแววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทังนี่แต่ขี้ไงแล้วจังใดคือมาเป็นลายต่างเสบสีหางรู้าสีหางสิจับมือกันอย่างว่าสั่นว่าหัวใจสวไอ้น้องบอหัวซาบัสิว่าเาไปกันบ่ได้ ใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิหักแพงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปไสว่าสิบอทิมกันใส่ว่าสิมีกันด้วยไปใส่ว่าสิบอแบ่งใจไสว่าสิมีแค่ แใส่ัน้สี่มีกันตลอดไปใส่ไวสิบอทิมกัน มูลค่ะค่ะอยู่บ้านทำนบหมู่สามค่ะมูลทำนบอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก่อนหน้าที่คุณป้าแป้งรัมอะค่ะจะได้รับประทานชุดคลายเส้นของมูลไบร์เนี่ยคุณป้าแป้งรํามีอาการเป็นยังไงบ้างคะฉันปวดหลังค่ะปวดหลังแล้วก็ลงมาที่ขาค่ะตรงมาที่นนขาตอนดิดฉันก็ ได้ฟังคุณอยากคุณฟ้าฉันก็สั่งของคุณฟ้ามาทานค่ะคือท<ะ>ีิฉันทานประมาณสักยี่สิบกว่าวันนคะคะรู้สึกว่าหลังมันจะหย่อนแต่ ว, ว่าขาก็ยังปวดอยู่ในะใต้ท้องขาเนี่ยนะค่ะทิฉันก็ยังปวดอยู่ที่ฉันก็ทานไปเรื่อยๆเลยแต่ว่ารู้สึกว่า่หลังไม่ได้หย่อนกว่าเขาเนาะหลังเนี่ยนะจะรู้สึกว่าย่อนกว่าแต่ว่าขานี่ยังไม่ค่อยหย่อนหมายความว่าทานไปประมาณยี่สิบวันก็เริ่มรู้สึก ว, ว่า อาการปวดหลังดีขึ้นใช่ไหมคะอาการปวดหลังรู้สึกว่าดีขึ้นใครเห็นก็ทักขึ้นว่าเออตะกัวทานของคุณฟามเนี่ยหลังมันท่าเดินไม่ค่อยเอียงค่ะเห็นก็ทักแบบนั้นเนาะอ๋อแสดงว่าก่อนหน้านี้ป้าเดินเอียงใช่ไหมคะ่ป้าเดินเอียงคุณ้ายังบอกโหป้าแดงเดินเอียงมากเลยเหมนกันเนาะในป้ากะทานมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยจในป้าก็รู้สึกว่าหลังเนี่ยป้าละดีขึ้นเลยนะค่ะนอนจะหลับสบายดีอืค่ะหลังของป้านั้นรู้สึกว่าดีออื แสดงว่าแค่ทานไปแค่ไม่ถึงกี่วันก็รู้สึกว่าดีขึ้นแต่ว่าขามันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะป้าก็ต้องป้าก็รู้ตัวว่าป้าเป็นมากเนาะแต่ว่าป้าก็บอกต้องใช้เวลาน้อยฟ้าอย่งั้นฟ้าบอกก็ต้องใช้เวลานานๆอ่างนั้นทานมาเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะค่ะแล้วสัมภาษณ์คุณป้านิดหนึ่งอะคะ่ะว่าน้ํามันคลายเส้นเนี่ยใช้แล้วดีไหมคะ่ะดีค่ะน้ํามันคลายเส้นค่ะจะใส่คู่กันด้วยดีค่ะ แล้วคุณป้าเออ่มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังไหมคะบางคนจะมองว่าโอ๊ยเป็นเส้นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยดูแลตัวเองเดี๋ยวมันก็หายเองป้าคิดว่าไงคะป้าคิดว่าเป็นแล้วคงไม่หายเองได้ค่ะค่ะถ้าหากว่าใครปวดอย่างป้านะก็ให้ทานมูนไว้คายเส้นน้ำมันคายเส้นเหรือนป้ากันลือนั่นแหละอ๋อก็คือล้ะหินปู น, นด้วยใช่ไหมคะเนาะละลายหินปูนเนะาะจะลืมจะแรกป้าก็ค่ะใครเป็นอย่างป้าอ่ะ ให้ลองทานดูเนาะค่ะคุณป้าค่ะแล้วมีบางคนสงสัยว่าเอ๊คุณป้าที่มาพูดอยู่เนี่ยเป็นหน้ามาหรือเปล่าไม่ได้ทานจริงมั้งแต่ว่ามาพูดกันหรือเปล่าไม่ค่ะป้าไม่ได้เป็นหน้ามาป้ายังไม่เคยเห็นหน้าเลยค่ะขอบคุณมากค่ ะ, ะสวัสดีค่ะอะอะขับรถอยู่หรือเปล่าค ะ, ะว่าแต่เมื่อยขาปวดหลังหรือเปล่านั่นแน่ ระวังจะชาเท้านะจ๊ะหากอยู่ท่าเดิมนานๆจนมื้ยขาปวดหลังชามือชาเท้าหัวเข่าดังกรบแกรบับไมเกรนขึ้นหัวกระดูกทับเส้นอย่าลืมชุดน้ำมันมูนไรย้ยำชุดน้ำมันมูนไร์ช่วยท่านได้ส่งของเก็บเงินหน้าบ้านฟรี สนใจติดต่อ0813946977ส้าย้ำ0 8 1 3 9 4 6 9หนึ่งสค่ะคุณพุญมาโพภาิีนี่ชามือ3ปีนะคะแล้วก็รักษามาทั่วนะคะก็ไม่เบามาใช้ผลิตภัณฑ์มูนไบชุดแรกก็เริ่มรู้ว่าดีเลยนะคะ พอใช้ต่ออีกชุดหนึ่งก็ไม่ไ ม, ไม่มีอาการชาหมื่ออีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้คุณบุญมาโพภสิษิ์บอก แนะนำบอกเล่า90ความประทับใจสวัสดีค่ะคุณบุญมาแนะนําชื่อเลยค่ะสวัสดีจ้าชื่อบุญมาโาพกติจ้าปราทีหนึ่งเก้าหนึ่งหมู่สาตำนบท่าตะโกจ้าอำเภอท่าตะโกจังหวัดอะไรคะจังหวัดนครสวรรค์จ้าชามือมานานแค่ไหนคะอ่าสามปีจ้าแล้วอ่าใช้ใช้ตัวอื่นมาม า, ม า, มาหลายอย่างแล้วก็ไม่เบาหรือคะจ้าจใช้<อ>มุนไวยแล้ว่องชื่อจ้าก็สชุดก็หายไปเลยอ๋อค่ะพอชุดแรกก็เริ่มเบาเลยใช่ไหมคะจ้าจ้าเริ่มเบาจ้าแล้วพอใช้ต่อ ชุดอีกชุดหนึ่งพอใช้ต่ออีกชุดเล็กไี่ก็หายเลยใช่ไหมคะยาหายจ้ะค่ะก็ขอขอบคุณคุณบุญมาโพพาสิทธิ์มากเลยนะคะที่บอกเล่า90ความประทับใจผลิตภัณฑ์มูลใบ ห, หากท่านใดมีปัญหาเส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตะคิวนิ้วล็อกกระดูกทับเส้นชามือชาเท้าปวดหัวเขา่าปวดหัวไมเกรนอามาพึกอามตพาสสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 8 1 3 9แปดหด ทวนเบอร์0813946977หรือ0885453515 0885453515น้ำมันแก้ปวดเมื่อยก็ราคาไม่แพงนะคะสามารถสั่งซื้อทวนเบอร์0813946977หรือ0885453515หากท่านใดจดเบอร์ไม่ทันให้เตรียมกระดาษปากกาแล้วจดในช่วงบทสัมภาษณ์ในรายถัดไปก็ได้สักค่ะสำหรับในช่วงนี้ขอก่า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 0 8 1 3 9 4 6 9หนึ่งสข่าวดีค่ะเพียงท่านสั่งชุดน้ำมันมูลไร้ชุดใหญ่รับของแถมฟรียำ้ำสั่งชุดน้ำมันมูลไร้ชุดใหญ่รับของแถมฟรี ชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถม อางโบทรวมกันไว้เมื่อชาติโดน้นองศกตาพี่ไม่ลบตานี้พี่รู้แน่หัวใจของพี่พ่ายแพร้รักน้องสิแปร ของพระบุพเพพี่เป็นคนจริงพูดจริงทําจริงน้องยิงอย่าเพิ่งสนเทอย่าเพิ่งความจริงพี่คือแพดจริงไม่ใช่แพทเก๋เมื่อรักพี่แล้ว ควานี อยู่ในช่วงมูลไบสัญจรบอกเล่า90ความประทับใจในผลิตภัณฑ์มูลไบสนะคะอยู่ที่ตําบลทํานบอยู่ที่บ้านของคุณมานิย์ทับเจริญค่ะเดี๋ยวจะให้คุณมานิย์ทับเจริญแนะนําชื่อนามสกุลบ้านเลขที่นะคะแล้วก็อาการก่อนใช้ผลิตภัณฑ์สวัสดีค่ะคุณมานิย์แนะนําชื่อเลยค่ะจ้าสวัสดีจ้าดิฉันชื่อมานิย์ทับเจริญบ้านเลขที่ 6.7 ทั5หมู่4ตําบลทํานบอำเภอท่าตโกจังหวัดนครสวรรค์เป็นอะไรคะก่อนใช้ผลิตภัณฑ์อะะเป็นปวดเข่า แล้วก็นิ้วล็อกบ่อยแล้วก็ตะคิวจะกินน่องกินสะโพกแล้วก็เห็นว่าเป็นความดันด้วยใช่ไหมคะเป็นความดันด้วยนอนไม่ค่อยหลับด้วยแล้วก็เหนื่อยง่ายใช่ไหมเหนื่อยง่าย<ๆ>หลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์มูลใบนะคะอาหารเสริมเส้นของมูลใบนี่อาการปวดขาปวดเขา่านิ้วล็อกนี่หายไปภายในกี่วันคะหายประมาณอาทิตย์กว่า อาทิตย์กว่ า, วาเริ่มดีขึ้นนะพอใช้ต่อเนื่องมาสองอาทิตย์ก็หายอย่างนั้นใช่ไหมคะใช้าาขาดเลยใช้มาสองอาทิตย์หลังจากที่ใช้มาสองอาทิตย์ก็หายขาดไปเลยคือตอนแรกเนี่ยอาการเป็นยังไงนะคะลองเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะก็ปวดปวดข้อเขา่านิ้วจะล็อกบ่อย<า>แล้วก็น่องนี่จะคิวจะกินกระสะกพกนี้จะคิวจะกินบ่อย และความดันแต่ก่อนอก่อนจะใช้ผลิตภัณฑ์ขึ้นเท่าไหร่คะความดันความดันร้อยแปดแล้วก็เหนื่อยง่ายด้วยใช่ไหมคะเหนื่อยง่ายด้วยค่ะหลังจากใช้ได้1อาทิตย์อาการดังกล่าวก็ดีขึ้นใช่ไหมคะไอาทิตย์ก็อาการดีขึ้นพอหลังจากใช้ได้2อาทิตย์หรอคะ2อาทิตย์ก็หายหายเลยใช่ไหมคะจะหายเลยไม่มีอาการอีกแล้วใช่ไหมคะไม่มีแล้วแล้วก็ที่ใช้รับประทานสมุนไพรฟื้นฟูสภาพร่างกายของมูลใบเนี่ย อ่าหลังจากที่ไปตรวจความดันแล้วความดันลดเหลือเท่าไหร่คะตอนนี้เหลือร้อยหกสิบค่ะกินไปอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวก็ลดลงนะคะแล้วก็ลดเรื่อยอาการเหนื่อยละคะเหนื่อยก็หายหายไปแล้วนะคะไม่มีนะคะจากที่รับประทานสมุนไพรฟื้นฟูสภาพร่างกายหายไปแล้วไม่มีตอนนี้ย่แล้วก็นิ้วล็อกอะไรเนี่ยไม่มีไหมไม่มีแล้วนิ้วล็อกก็หายแล้วนะคะหลังจากทานอาหารเสริมแก่เส้นได้หนึ่งสองอาทิตย์นะคะประมาณสองอาทิตย์ ลใช้น้ำมันแก้ปวดเมื่อยร่วมด้วยด้วยใช่ไหมคะใช้ด้วยใช้นวดด้วยแล้วอ า, อาการเห็นบอกว่าแต่ก่อนนี้นอนไม่ค่อยหลับเครียดบ่อยใช่ไหมใช่มาก่อนเครียดบ่อยค่ะหลังจากที่ใช้อารับประทานสมุนไพรฟื้นฟูสภาพร่างกายของมูลไว้นี่อาการดังกล่าวก็หายไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคหายไปหมดเลยตอนเนี้ยหายหมดแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าสดชื่นด้วยใช่ไหมคะสดชื่นตอนเนี้ยทํางานบานได้ตลอดไม่เหนื่อยด้วยใช่ไหมเหนื่อย จะฝากอะไรกับท่านผู้ฟังบ้างไหมคะก็ขอให้คนที่เป็นปวดแข้งปวดขาหรือว่าเป็นความดันเป็นเบาหวานให้ซื้อตัวนี้กินมันก็จะหายดิฉันกินหายหมดแล้วเนะี่ยตอนนี้กินได้2องาทิตย์ก็หายไปแล้วก็มีความประทับใจนะจึงมาบอกเล่า90ความประทับใจในผลิตภัณฑ์มูลใบนะคะขอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองมาสั่งซื้อดูนะคะราคาก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 8 1 3 9แปดห7ึ หรือ0885453515หากท่านใดจดเบอร์ไม่ทันนะะก็ให้เตรียมกระดาษปากกาแล้วจดเบอร์โทรในช่วงสัมภาษณ์คนต่อไปก็ได้นะคะสำหรับในช่วงนี้ที่ฉันขอกล่าวคำว่าส ว, สวัสดีกับคุณมานิททับเจริญด้วยค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าชามือชชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ามันมูนลไบจำ้ำ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 นมัสการหลวงพ่ออ่าคือพระแดงสายยาติดจะวะโลเจ้าค่ะค่ะหลวงพ่อแดงนี่อยู่วัดอะไรเจ้าคะวัดคลองบอนวัดคลองบอนตำบลตำบลพนงเศษค่ะอำเภอท่ า, าตตโตจังหวัดนครสวรรค์ น, นะคะจังหวัดนครสวรรค์เจ้าค่ะค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะ เห็นหลวงพ่อมีความประทับใจกับผลิตภัณฑ์มูลไร์มากสมัยก่อนนะค่ะที่หลวงพ่อบอกว่าเดินบินทบาทอ่ะวันละสี่กิโลเนี่ยบอกว่าปวดมากเลยอาการเป็นยังไงบ้างคะหลวงพ่อจ้าเดินมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าหร่หรอกมากมากมันมันตึงอ่ะมันตึงแล้วมันก็ปวดด้วยอ่ะมันก็ปวดด้วยอ่าก้าวเดินเนี่ยมันข้อข้อเท้าข้อมือไอข้อเท้าเนี่ยเดินไปมันมันหนักหนักอ่ะ มันหักก้าวไม่ใครจะออกนะออืืมค่ะเพราะว่าเส้นมันตึงอ่ะค่ะมันก็ยังมีการปวดปวดข้อปวดเข่าด้วยนะอออืืมเรียกได้ว่าเดินตลอดสี่กิโลเมตรปวดตลอดทางปวดตลอดทางเหรอคะไอหลวงพ่อคะเห็นหลวงพ่อเล่าให้ฟังค่ะว่ายังมีตะคิวขึ้นด้วยเหรอคะตะคิวมีมีตะคิวอ่ะพวกตะคิวมันเขาจะ มันจะมันจะเข้าเป็นลูกๆรงเป็นจำแข่งอ่ะตจำนักแข่งขาเนะี่ยนะขึ้นวันไปลูกๆคล้ายๆว่าเราเก่งมากเลยว่ะทีนี้อาจจะคิวเขาจะเข้าอ่ะอืมแต่แต่<า>แตเดี๋ยวแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เข้าแล้วมันพอเส้นสายมันหย่อนหมดแล้วมันไม่เข้า อ, อาการรู้สึกว่าแข่งขาแล้วมันเบาเหมดแล้วมันเดินคล่องแค่วอ่ะอืมแล้วตะคิวก็มาก็ตะคิวก็ไม่ไม่ไมีแล้วอืม ตะคิวก็ไม่เข้าแล้วอาการเกรงข้อมันแค่มีแล้วตัวเส้นสายมันหย่อนเดินว่องไวเออยกขาแล้วก็รู้สึกเบาเหมดแล้วตอนเนี้ตะกอนมันหนักออือืมเรียกได้ว่าหลวงพ่อเดินไปกลับสี่กิโลเมตรโดยที่ตะคริวไม่ขึ้นเลยถูกไหมคะตะกอนตอนนี้ไม่ขึ้นแล้วอืมตะคริวไม่ขึ้นรู้สึกว่าเบาอะ่ะ แข่งขาเราก้าวขาแล้วมันกระเบาแล้วไม่ไ ม, ม่หนักท so ื thing, ่อมันแต่ก่อนนะแต่ก่อนมันหนักคือเราเดินเนี่ยกระดาษใส่รองเท้ายังใส่ไม่ได้เลยเส้นยิ่ใส่รองเท้ายิ่งยิ่งหนักทื่อใหญ่เลยเลยถอดรองเท้าชิ้นนี้ออกไปเดินเดินเตินจริงเดินเตินเปล่าอ่าแต่ก่อนเนี่ยนะแต่ตอนนี้นี้เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่ไม่หนักแล้วอ่าตอนนี้เบาแล้วมันเพราว่าแข้งขามันก้าวขาไม่สะดวกแล้วเพราะเอเส้นสายมันมันหย่อนหมดแล้วออื หลวงพ่ออยากจะฝากอะไรให้กับญาติโยมที่เขาเป็นแบบหลวงพ่อมั้งไหมคะญาติโยมที่ไปฟังรายการน่ะหลวงพ่ออายุแปดสิบแล้วอาการของเส้นมันเตึงมันมันเดินเดินเหินก็ไม่ไม่ไม่สะดวกเัรข้อตึงข้อหนักเดินเ้าเดินด้วยเท้าแล้วก็บางทีต้องถอดรองเท้าิทงอะ่ะเดินมันหนักมันหนักมันถือ มาตอนหลังก็มารู้ว่า <c oughs> บริษัทมูนใบอะค่ะว่าเขาว่าแก่เส้นแก่สายแก่อะไรแก่เส้นตึงอะไรได้แหละ่านพ่อก็สั่งซื้อมาพอมากินได้ประมาณสักครึ่งเดือนก็เส้นสายทั้งหมดมันก็หย่อนเออาการปวดมันก็หายไป <c oughs> แล้วอาจจะกออาการเส้นตะคิวก็เริ่มหายหมายความว่ามูลใบบอกมีประสิทธิภาพดีมาก นี่ยทําให้หร่รางกายหลงพ่อตอนนี้เดินวินธบลาตรได้สะดวกเพราะอายุ80แล้วอ่ายังเดินวินเบลาตรไปกับสี่สี่กิโลนะญาติโยมคนไหนที่ได้ฟังรายการของบริษัทมูลไบ่ะก็ถ้าหากเป็นอย่างหลวงพ่อแล้วก็มารักษาตัวก็จะจะหายดีอเหมือนอย่างหลวงพออ่ออชาติมาแล้วข่อข <า S 1> อบคุณหลวงพ่อมากเจ้าค่ะหลวงพ่อ คือหลวงพ่อจะยืนยันกับญาติโยมใช่ไหมคะว่าคนที่อายุน้อยกว่าหลวงพ่อดีขึ้นแน่นอนอพ่อหลวงพ่อแปดแล้วยังดีขึ้นเลย อ, อายุแปดสิบกินแล้วก็ยังดีขึ้นอ่อก็จะได้มั่นใจนะคะหลวงพ่อจะเกาจะได้มั่นใจว่าอายุแปดสิบยังกินยังยังยังเอง อ, อ, อตอนนี้ยับินบาตรไหว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 ชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถม พบเธอเนหนุ่มแพนเอจอนกับลูกสาวคนรวยเลิศแลอคิดอยู่เสมอว่าเธอนั้นคือดอกฟ้าสุดทามใจพาพมอบรับทุกวันเฝ้ามองติดตามสนองหมายปองร อ, อน้องเม อดทนทำงานเพื่อฝันเป็นจริงขึ้นมาอยากเด่นดอกฟ้าลงมาแนบใจเช้าดีเือรินกี่หยดตาบนสวรรค์บันไดกี่ขั้นสูงชันพี่ก็จะตี ว่าสูงกี่ชั้นฝ่าฟันด้วยใจเทงเยินถึงต่ำติดดินจะปีนขึ้นไปค่วยคว้ามองแค่รองเท้าก็รู้ว่าเราห่างไกลแต่นานแค่ัหนขอใจรับมันศรัทธานุ่มคน ยืนมือคว้าขอเพียงดอกผ้าปราน่ เขาก็รู้ว่าเราห่างไกลแต่นานแค่ั้นขอใจรับมันสัทธาหนุ่มคนแรมรอนคนนี้ไม่มีอ่อนล้าจะยืนมือควาขอเพียงดอกผ้าปรา The flowers. ป้าทชื่จอจอหนึ่สีค่ะบ้านเลขที่หนึ่งสองเจ็ดตำดบลพนมรอกหมูสิบสามค่ะอำเภอท่าตะกนูนครสวรรค์ค่ะอยู่หมู่สิบสามตำบลพนมรอกอำเภอท่าต ะ, ะตปูจังหวัดนครสวรรค์ น, นะค ะ, ะค่ะคุณป้าคะก่อนหน้าที่จะมารู้จักกับมูนไรเนี่ยคุณป้าเป็นอะไรมาคะโอ้ปวดเขนปวดหัวไหล่ค่ะปวดแขนปวดหัวไหล่ปวดขนาดยกแขนไม่ขึ้นเลยเหรอคะ คช่อืมปวดแขนปวดหัวไหล่ยกแขนไม่ขึ้นแล้วคุณป้าเป็นมากี่ปีคะโอ้พึ่งเป็นมาได้เมื่อเดือนพฤศจิกาเนี่ยมเมื่อพฤศจิกันค่ะอ๋อก็ประมาณห้าหกเดือนแล้วนะคะอ่าแล้วคุณป้าเป็นแบบนี้ได้ลองหาวิธีการรักษาตัวเองมาก่อนไหมก็เคยไปโรงพยาบาลมาไปบับบัดมามันก็ไม่เบา ก็มาฟังวิทยุว่าของมุนใบคนนอนเขาพูดคนมีก็พูดก็ลองใช้ดูมาเอมามาใช้ใช้ครั้งแรกก็มันก็ดีนะแต่ใ่หัวไหลือว่ายกมมนขึ้นมันจะหัวไหลมันก็เบาเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวนะคะคุณป้าเอ่อฟังแล้วก็ใช้แค่ชุนแรกชุดเดียวใช้ไปได้ประมาณสักสองอาทิตย์เนาะป้าแล้วก็ที่บอกว่า หัวไหล่ที่มันตึงๆน่ะมันหย่อนขึ้นไหมหย่อนจ้ะหย่อนแล้วเทียบอาการจากเดิมอ่ะมันดีขึ้นแ่ะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณก็ประมาณแปดสิบเนี่ยยังไม่เตนม้อยดีคือดีขึ้นแปดสิบเปอร์เซ็นเลยแต่ก็มันยังมีตึงๆยังปวดๆอยู่บ้างสักยี่สิบเปอร์เซ็นตนะเพราะว่าเพิ่งใช้แค่ชุดแรกอะที่ปวดแขนอะไรยกแขนไม่ขึ้นก็เริ่มดีขึ้นนะคะ อ่าแล้วคุณป้าเนี่ยมองว่าผลิตภัณฑ์มูนไบรท์ อ, อ่ะที่ช่วยคุณป้าให้หายปวดแขนแล้วก็ที่ตึงไหล่ยกแขนได้ขึ้นเนี่ยคุณป้ามองว่าในราคาเท่าเนี้ยคิดว่ามันแพงไปไหมมันก็ไม่แพงนะคะค่ะเพราะว่าเรามีน้อยเราก็คิดว่าเราไม่แพงหรอกอืมค่ะคิดว่าได้ผลก็ไม่แพงใช่ไหมคะจ้ะ ป้าได้ผลก็ไม่เป็นค่ะแล้วทางคุณป้าค่ะมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังไหมเพราะบางคนเนี่ยเขาไม่กล้าตัดสินใจกลัวสั่งไปแล้วจะไม่ได้ผลกลัวว่าง่ายๆจะโดนหลอกอะ่ะป้าจะบอกอะไรกับเขาคะโอก็เป็นอย่างฉันนี่ว่ายกเงื่อนขึ้น้องทานนะจ้าไม่เขาไม่หลอกจ้าเนี่ยฉันก็ฟังจากวิทยุเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์คนนั้นถึงก็เลย ลองซื้อกินดูเนี่ยก็ดีมีผลเยแหะเห็นผลแันเหมือนกันนะเนี่ยคือของมูลไบร์ก็เห็นผลนะคะเราบอกว่าดูดาออกโทรมาสั่งเลยนะค ะ, าาคะทางรายการมูลไบรนะคะต้องขอขอบคุณคุณป้าชะ อ, อ้นนุ่มมีสีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ดได้มาบอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงนะคะที่ยกแขนหัวไหล่ไม่ขึ้นป้าอยู่ ตำบล พ, พนมรอกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะคะค่ะขอบคุณ<ช>คุณป้ามากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ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 เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณป้าเรนูโตสงครามกันคะ่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีจ่ะฉันชื่อเรนูโตสงครามบ้านเลขที่ยี่สิบหกสบสองห <c oughs> มู่ห้าตำบลลงลหากรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเดิมคุณป้าเป็นอะไรมาจ๊ะปวดขาแล้วก็ปวดหลังแล้วก็นิ้วล็อกอืม ปวดขาปวดหลงังนิ้วล็อกแล้วเป็นอย่างนี้มากี่ปีอะคะเพิ่งเพิ่งเป็นมาจะได้ของไฟเลยเนี่ยกินยาอะไรก็ไม่หายอมฉีดก็ไม่หายอืมฉีดจนเป็นฝีหัวเข็มอะโอ้โหฉีดเยอะจัดจ่าถึงก็ต้องไปนอนโรงพยาบาล่ะโอแล้วมันก็มาเยอะนะฉีดก็ไม่เยอะแต่ก็ ควังเนี่ยเนี่ยควังไอวิทยุเนี่ยควังไอวิทยุแล้วก็เจอไออะไรดีเจแอนเนี่ยอืค mm ่ะ hmm. ที่ประกาศเนี่ยนะค่ะฉ <Ha. S 2> ันก็ซื้อชุดเล็กมากินค่ะ <Ha. S 2> กินเขาก็ว ม, มาแล้วกินคู่กันเลยค่ะ <Ha. S 2> กินหมดกินแล้วมันดีขึ้นอ mm hmm. ือฮึค่ะแล้วฉันก็สั่งมาอิฐสั่งชุดใหญ่ก็กินหมดไปแล้ ว, แ ล, วแล้วก็กินแล้วมันดี hmm. อืมโล่งกินแล้วโลง่งตื่นขึ้นมามันก็โล่งดีจังเลย ค่ะแล้วที่บอกว่ากินดีกินแล้วโล่งเนี่ยคือป้าเห็นบอกแนะนําให้แฟนใช้ด้วยแหละคะ่ะแฟนแฟนกินด้วยเนี่ยอือแล้วเดิมแฟนเขาเป็นอะไรมาคะแฟนเขาปวดหลังแล้วลงขานี่เนี่ยค่ะกินแล้วเขาก็ดีขึ้นอือปวนที่แรกปวดปวดที่แรกกินที่แรกเลยปวดเดินไม่ไหวเลยอ <c oughs> ย่าหยุดกินเลยอ่าปวดนะค่ะ กินแล้วปวดแทบจะทนไม่ไหวด้วยวจะหยุดกินบางเขาบอกทนกินไปเถอะทางรายการบุญไร้ต้องขอขอบคุณคุณป้าเรโนูโตสงครามเป็นอย่างยิ่งะนะคะที่ตําบลวังมหากรนะคะบ้านปักงามำอำเภอจ้จาตะกโกจังหวัดนครสวรรค์ น, นะคะขอบคุณมากค่ ะ, ะขอบคุณค่ะ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 สามเก7 7สี่หเก้าเจ็ดเจ็ด ใจพลันในลาระหว่างทางฝันแรมรอนมาเนิ่นนานหมดแรงจะก้าวฟังการงานอยู่อีกไกลฟังความรักต้องไปอีกยาวแค่ลำพังตัวเราดูท้อห น, นักหนา ฉันลูกนกตัวน้อยที่ปีกเปียกฝนแรงไม่มีจะบินให้พ้นพงยาอยู่อยงคนหมดกำลังอยู่ใจกลางของความในลาอยากมีใครเข้ามาให้กำลังใจขอแค่เพียง เฮียงที่ห่วงให่โทหาแมงนถาคว่ามาด้วยตัวไม่ได้มาปลอบใจหวันให้มีพลังก้าวไปสงสารหน่อยหัวใจนี้ใกล้จะขาด ไปที่หมายได้ด้วยตัวเองเดินทางโดยไม่เกรงสิ่งไหนมาขัดแต่ปัญหาที่มาควางมากมายดังฝนรุมสาดสัดใจบางบางได้แต่ร้องไห้ออกมาเหมือนลูกนกตัวน้อยที่ปี เยกฝนแรงไม่มีจะบินใหพ้พงยาอยู่อย่างคนหมดกำลังอยู่ใจกลางของความในล้าอยากมีใครเข้ามาให้กำลังใจขอแค่เพียง เสียงที่บวงใหญ่โทรหาแม่ถ้าว่ามาด้วยตัวไม่ได้มาปลอบใจให้หวันให้มีพลังก้าวไปสงสารหน่อยหัวใจนี้ใกล้จะขาดสงสารหน่อยหัวใจนี้ ข, ขณะนี้ดิฉันอยู่ในช่วงมูลใบสัญจรบอกเล่า90้าความประทับใจในผลิตภัณฑ์มูลใบนะคะอยู่ที่ตำบลหัวถนนนะคะเดี๋ยวจะให้คุณป้าช่วยแนะนำชื่อนำสกุลหน่อยค่ะคุณป้านำสกุลโ้นทองอ่ะคุณป้าชื่ออะไรคะชื่อจันคุณป้าจันนะค ะ, ะนำสกุลอะไรนะคะโหนทองอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะ สองเก็ดศูนย์ทับเงินสองอะไรนะสองเ็ดศูนย์ทับหมู่ที่เท่าไหร่คะหมู่หนึ่งตำบลอะไรคะบุหโฮขึ้นเงินอำเภออำเภอากค่ะเออสามีของคุณป้าชื่ออะไรคะนาอเชงนเชิงนามสกุลค่ะโพนชองค่ะเป็นอะไรท่านไหนลองเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะบอดขาบอดหลัง ปวดขาปวดหลังนี่เป็นมานานแค่ไหนแล้วคะก็ง้างมากเป็นมากี่ปีแล้วคะอ๋อจะไม่ไกลเลยยกว่าแล้วยี่สิบกว่าปีนะคะเอาแล้วเห็นบอกว่าก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยอในช่วงนั้นเดินไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยเนี่ยนานแค่ไหนแล้วคะก็คือครึ่งเดือนครึ่งเดือนกว่าปานะเดินไม่ได้ประมาณครึ่งเดือนนะคะ แล้วใช้ผลิตภัณฑ์มูลไบเนี่ยประมาณกี่วันคะถึงเริ่มรู้ว่าดีนะคะสามอาทิตย์สมอาทิตย์นี่ตอนนี้เริ่มรู้ว่าดีาจากที่เดินไม่ไหวเลยตอนนี้เดินได้แล้วใช่ไหมคะเดินได้แล้วแล้วหายกได้อาการปวดขาตอนนี้มีไหมคะว่าเบาอากาเบาเ บ, บาเยอะแล้วนะคะมีอาการชาเท้าด้วยใช่ไหมตอนแรก ปวดกระปมกปวดหัก ง, งอปวดงอเกค่ะแล้วปัจจุบันนี้ไม่มีอาการแล้วใช่ไหมคะเบาเลยค่ะอ่าทานทานมาได้สามอาทิตย์ถูกไหมค่ะค่ะ เนื่องจากว่ารับประทานอาหารเสริมแก้เส้นมูนไบแล้วทานน้ามันแก้ปวดเมื่อมูนไบเนี่ยสมอาทิตย์นะแต่คนไข้เนี่ยจากที่เดินไม่ได้เลยถึงครึ่งเดือนปัจจุบันนี้สามารถเดินได้แล้วแล้ ว, ลวก็ไม่มีอาการปวดขาชาเท้าอีกแล้วนะคะก็จึงมาบอกเล่า90ความประทับใจในผลิตภัณฑ์มูนไบนะคะขอขอบคุณคุณป้าจันมากเลยนะคะที่บอกเล่า90ในความประทับใจในผลิตภัณฑ์มูนบนะคะสวัสดีค่ะป้าจย์พวกดีค่ะ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 <Dead. S 2> ทุกท่านทราบหรือไม่คะว่าอาการรองช้ําอักเสบหรือการที่ส้นเท้านะคะมีอาการเจ็บเนี่ยเกิดมาจากอะไระวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันอาการรองช้ําอักเสบหรืออาการเจ็บตรงส้นเท้าเนี่ยนะคะมันเกิดมาจาก การที่เส้นใต้ท้องขาจับเป็นก้อนรวมถึงเส้นใต้น่องก็จับเป็นก้อนเช่นเดียวกันแล้วจะทำให้เกิดอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะทำให้ตรงส้นเท้าเนี่ยมีอาการเจ็บช้ำและอักเสบด้วยประกอบกับลมเนี่ยเข้าไปอัด บริเวณส้นเท้าก็ทำให้ท่านเจ็บได้เหมือนกันบางคนเนี่ยงงนะคะว่าเอ๊ะลมมันเกี่ยวข้องอะไรลองนึกภาพตามแบบนี้นะคะการที่ตัวเส้ น, นจับเป็นก้อนมันก็เหมือนกับว่าการขัดขวางการเดินทางของลมของเลือดที่จะไปเลี้ยงบริเวณส้นเท้าได้เต็มที่เนี่ยก็เหมือนมีอะไรมาขวางอยู่นึกภาพเหมือนกับว่าเวลาที่เราะจะรดน้าต้นไม้ แต่เผอิญว่าสายยางอะ่ะมันพับมันก็ลดน้ําต้นไม้ ไ, ไม่ได้ถูกไหมคะเช่นเดียวกันค่ะคือถ้าเลือดลมมันถูกขัดขวางนะคะเราก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายได้อย่างเต็มที่แล้วเผลอเผอเนี่ยทาด้วยแล้วก็เจ็บแล้วอักเสบวิธีแก้แก้ได้อย่างไรง่ายมากค่ะเพียงแค่ท่านนะทาน้ํามันสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยของมูนไบรท์ทาที่บริเวณใต้ท้องขาทาที่น่อง แล้วก็ทาที่บริเวณส้นเท้าหรืออุ้งเท้านะคะเพียงเท่านี้ค่ะทาไปเรื่อยๆนะคะตัวเส้นที่จับเป็นก้อนเนี่ยจะคลายตัวออกแล้วท่านก็จะหายได้รวมถึงถ้าหากใช้สมุนไพรบำรุงเส้นสมุนไพรล้างสารพิษพังผืดปูนด้วยเนี่ยอาการเส้นของท่านเนี่ยจะดีขึ้นเร็วมากแจ้งนิดนึงนะคะว่าอาการเส้นของแต่ละคนเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนบางคนเนี่ยเรื่องเส้น ก็ถือว่าเป็นระดับหนึ่งแต่ที่หนักกว่านั้นคือมีหินปูนเกาะอยู่ตามข้อต่อเกาะอยู่ตามาส่วนต่างๆของร่างกายนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยก็มีพังผืดเกิดค่อนข้างเยอะเพราะว่ายืนนานทำงานหนักมานานและที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นค่ะบางคนเนี่ยชอบรับประทานอาหารที่ก่อให้เกิดหินปูนเกิดกดยูริกชอบจังเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นพวกยอด อ่อนของผักใบเขียวหรือไม่ก็ชอบทานไก่ชอบทานเบียร์พวกนี้ค่ะเป็นตัวสนับสนุนที่ทําให้เกิดกรดยูริกแล้วก็เป็นตัวสนับสนุนให้เกิดหินปูนมาเกาะตามข้อต่อทําให้ท่านปวดมากขึ้นรวมถึงบางคนเนี่ยคือไม่ค่อยได้ออกกําลังกายร่างกายก็เกิดลมอายุเยอะด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้ท่า น, นมีอาการอักเสบเกี่ยวกับเส้นได้หมดเลย แล้วถามว่าจะแก้ได้อย่างไรแก้ได้ด้วยชุดน้ํามันมูนไบรท์เท่านั้นเลยนะคะเพราะว่าชุดน้ํามันมูลไบรท์เนี่ยเป็นสมุนไพรเฉพาะทางโดยตรงเรื่องเกี่ยวกับเส้นคือถ้าเกิดว่าหาว่าจะแบบเออมาดูแลอย่างอื่นได้ไหมเนี่ยไม่ต้องคุยนะคะเพราะมูลไบรท์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเส้นเรื่องพังผืดเรื่องหินปูเรื่องปวดขาปวดเขา่าเมื่อยเนี่ยเฉพาะทางมากๆเรามีกลุ่มตัวอย่างนะคะที่ได้เคยได้ทดลอง ก่อนเอามาใช้จริงแล้วก็โหใช้ได้ผลดีมากและพอเอามานำเสนอขายจริงๆเนี่ยปรากฏว่ามีาคนใช้นะคะที่พร้อมเปิดเผยตัวตนนะคะพร้อมให้ท่านเนี่ยโทรไปสอบถามเขาได้เลยเป็นร้อยๆท่านและที่ยังไม่เปิดเผยตัวตนแต่ใช้แล้วอาการดีขึ้นจากเดินไม่ได้ทิ้งไม่เท้าจากนอน อย่างเดียวไม่เคยลุกเลยลูกหลานต้องพยุงป้อนข้าวป้อนนะ้ำเดี๋ยวนี้ลุกปั่นจั ก, กรยานได้เหมือนเคสที่นครสวรรค์นะคะตรงแถวหนองปลิงมีอยู่คนหนึ่งตอนแรกก็ไม่เชื่ อ, อก็โทรมาปรึกษานะคะเสร็จปับ๊บผ่านไปอีกอาทิตย์นึงโทรกลับมาใหม่เพราะว่าเห็นคุณตาข้างบ้านตอนแรกจําได้ว่าแก น, นอนสุดท้ายแกปั่นจั ก, กรยานออกมาได้เขาก็งงกันทั้งหมู่บ้าน <g ül> ก็เลยแห่กันสั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันได้ผลจริงๆนะคะท่านใดที่ฟังแล้วเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าไม่มั่นใจอย่ามา โ, นโนค่ะอย่ามา โ, นโนโทรศัพท์มาเลยดีกว่าคุยกันเลยว่าจริงไหมตัวตนจริงๆยังไงอยู่ตรงไหนโทรมาเลยค่ะเพราะว่าตัวตนจริงๆของคนที่เขาใช้แล้วดีขึ้นน่ะมันเยอะมากจริงๆนะคะก็พร้อมจะให้ท่านพูดคุยหรือว่าไม่แน่นะคะคนเหล่านั้นเนี่ย อาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นคนที่ท่านรู้จักหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับท่านก็ได้โทรมาเลยค่ะไม่ต้องกลัวเพราะว่าสุขภาพของเราเนี่ยมันมีค่ามากกว่าค่าโทรศัพท์แค่ไม่กี่บาทถูกไหมคะยกหูโทรเลยคุยเลยดีกว่านะคะอย่าปล่อยให้เส้นเอ็นของท่านเน่ยเป็นหนักจนเกินกว่าที่จะรักษาได้คือบางคนเนี่ยนอนฟังวิทยุมาเป็นปีๆและแต่ยังไม่กล้าตัดสินใจ ตัดสินใจเธอคะ่ะเพราะว่าชีวิตของเรามีคุณค่ามากกว่าที่เราจะมานั่งเสียดายหรือมานั่งกลัวว่าจะโดนหลอกหรือเปล่านะคะคงไม่มีใครอะคะ่ะที่จะมานั่งหลอกท่านผู้ฟังนะคะว่าเออใช่แล้วมันเหมือนจะดียังไงคือนี่พูดกันจากใจจริงๆนะคะไม่มีใครเขาหลอกหรอกคะ่ะถ้าดีก็คือบอกว่าดี ะะเราก็พูดกันตรงๆบอกแล้วว่าถ้าเกี่ยวกับเส้นให้มาที่นี่แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นที่หมอกเช่นบอกว่าเออลักษาหัวใจรักษาตาอะไรได้ไหมไม่ต้องมาค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะจ๊ะของเราเกี่ยวแค่เส้นนะแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องไตออแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการออทําให้สินปูนหายไปหรือการที่ออลางพิษ นะคะเกี่ยวกับในร่างกายอันนี้คุยได้คุยได้เลยแต่ถ้าเกิดนอกเหนือจากนี้ไม่ต้องคุยนะคะไม่เกี่ยวกันท่านจะได้มั่นใจโทรมาเลยดีกว่าค่ะจะได้หมดความกังวลใจแล้วก็จะได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วมูนไบรท์คืออะไรแล้วก็จะได้สบายตัวแล้วก็ดีขึ้นนะคะชาหมือชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ามันมูนไบรท์จ้า